คุณมลเป็นไงคนนุณ<บ><ผ>มลมลโมหะเยอะโมหะมันก็คอคิดถึงธรรมะบ่อยๆคิดเจรนาธรรมะบ่อยๆ ใ, ใจมันขึ้นไหวกระทิบเลยจิตใจมีโมหะบางทีเพราะว่าใจเราห่างเหินห่างเหินธรรมะตัวเศรษฐียุ่งกับอาธรรมเป็นมุดเป็นเลยมีคนสร้างหรือเปล่า มีโรงร้อ่าคงสา้งสางไม่เยอะหรอกนิดหน่อยคุณสัญญาดีแล้วนะดูไปยิ่งเยอะก็เช้าเชก็ยังมัวมัซึมซึมอยู่ค่ะแต่ก็ฟังเสียงหลงพ่อไปลวก็จิตคิดก็รู้จิตเรามันไ ม, ไม่ใช่ของเรามันชอบปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมอากาศซึมซึมนะ่าสนใจก็ปล่อยซึมไปด้วย ดีแล้วแหละใครดูใครนะวันนี้วันโมหะเยอะกันหลายคนจิตไป็นยังไมีโมหะครับแล้วก็ถึงถึงบ้านจีอยากไปดูจิตคนอื่นนะถ้าเราดูจิตคนอื่นทําไปจะดูจิตตัวเองไม่ได้เราให้เราเข้าถึงจิตถึงใจแท้ก่อนอันนี้ไปดูคนอื่นแล้วมึงก็กลับบ้านเป็นหลายคนมึงเสียไปเลยนะดูของตัวเองดีๆแล้ว ไปฝึกดูคนอื่นดูไปดูมามาันเลยนึกกลับบ้านเที่ยวไปไเรื่อยๆแอสรู้สึกตัวบ้างนะครับเมื่อปู่ก็ได้กี่ครั้งนึงเอะนะรับหลายรอบลพราะว่า่าฟังที่มีครั้งที่สองครับแต่ฟังฟังเพปฟังดีๆบางคนฟังแต่เทฟไม่เคยมัเกหรกข้อก็ตื่นขึ้นมาได้นะโฆษณาเะยกันเ ดีๆหลงเข้าหน้าปังนะแจกเสี ก, กรีเสียแต่ค่าไฟแล้วก็ปังไปปังเรื่อยๆจิตมันจะตื่นขึ้นมาเวลาจิตใจมันตื่นขึ้นมาเนี่ยกีเลตอะไรแปลกปลอมเล็กๆน้อยๆก็มองเห็นนะนใจของคนในโลกนี่มันไม่ตื่นน่าสงสารที่สุดเลยมันตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจมันจะอยู่ในโลกของความคิด คิดๆฝันๆทั้งวันแต่ถ้าเมื่อไหร่จิตสามารถรู้สภาวธรรมถูกต้องเป็นปัจจุบันจิตจะตื่นแล้เราต้องหนุรู้สภาวธรรมสภาวธรรมที่เกิดบ่อยคืออาการที่จิตลงไปคิดดูออกใช่ไหมจิตลงคิดทั้งวันจิตลงคิดนี่เป็นสภาวธรรมที่เกิดบ่อยมากถ้าเราไม่รู้จักสภาวธรรมหลายอย่าง รู้มันอย่างเดียวแค่ว่าจิตหลงไปคิดแล้วก็รู้หลงไปคิดแล้วก็รู้ฝึกเท่านี้นะทำงานทำกรรมฐานได้ทั้งวันคือสภาวะธรรมทั้งหลายมันแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นกุศลกับกลุ่มที่เป็นอกุศลในแต่ละวันนี่อกุศลเกิดมากกุศลมีน้อยอกุศลก็มีโลภมีโกรธมีหลงความโลภความโกรธก็มีน้อยนะความหลงมีมาก ความหลงเนี่ยมีหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิน่นหลงไปริ้มรถหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดหลงไปคิดที่มีมากเั้นเนี่ยเราเรามองแบบการวิเคราะห์นะเรามองแบบการวิเคราะห์เนี่ยจะทําวิจัยหรืออะไรเงี้ยเราดูแล้วควรจะสุ่มตัวอย่างศึกษาตัวไหนดีแต่การวิเคราะห์ที่ว่าให้ฟังนี้เราจะพบว่าการหลงคิดที่มีมากที่สุดเลย แม้เราหันรู้จักหลงคิดไหมคนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะรู้เรื่องที่เขาคิดรู้เรื่องที่คิดนะแต่ไม่รู้ว่าใจกําลังคิดอยู่ทีเราลองมาปรับนิดเดียวเวลาใจมันแอบไปคิดนะให้รู้ทันว่าตอนนี้กําลังคิดอยู่ใจไหลไปคิดเนี่ยอย่างไหลไปคิดอย่างนี้ไหลแว บ, บเราก็รู้หรือพอใจไหลแว บ, บก็รู้แวบบก็รู้เรื่อยๆนะใช้ได้ดี แต่ว่าพอบางคนเคยเข้าคลาสเข้าวัดฝึกหัดอะไรมามากมายเพื่อที้จะมีปัญหาอีกอย่างพอใจไหลไปคิดแว้พอรู้ว่าไหลไปคิดตัวนี้ ร, รู้ถูกต้องแล้วถัดจานั้นจะเริ่มบังคับตัวเองอย่างที่คุณกำลังเป็นมันจะกลับมาบังคับพอไม่เผลอไปคิดก็บังคับเอาไว้นี่คือควาสุดโต่งสองด้านสน่วนด้านนี้เป็นด้านเผลอไปคิดด้านนี้ก็จะเป็นด้านบังคับ รทันทีที่รู้ว่าหลงไปคิดกบรู้สึกตัวขึ้นมามันจะอยู่ตรงนี้นะรู้เป็นกลางกลางถูกต้องมนาะถ้าจากนั้นจะกลัวกลัวจะเผลออีกหรือไม่อยากจะให้เผลออีกก็จะเริ่มมาบังคับสุดโตมาข้างบังคับอาการที่จิตหลงไปข้างหลงไปคิดเนี่ยเป็นความปรุงแต่งไฟหากุศนาการที่จิตคอยบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจเป็นความปรุงแต่งไฟกูศนเรียกว่ากุศลาที่สังขาร เรียกว่าปุญญาที่สังขารแลการที่จิตหลงไปคิดเนี่ยมันจะตามใจกิเลสเลื่อเทินไปกับอารมณ์ภายนอกก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ากามสุขานิการนิโยคเป็นสุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสพอเราพลิกกลับมาเป็นการบังคับตัวเองมันจะบังคับด้วยวิธีอะไรมันก็ขมกายข่มใจบังคับกายบังคับใจมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอัตตากิลมัฐานิโยค ฉะนั้นคนทั่วๆไปเนี่ยมันจะหลงในข้างกามสุขาริกานิโยคไปเรื่อยๆนักปฏิบัติเนี่ยชอบมาทําอัตต์จิรมาศานิโยคสังเกตดูเราเคยอย่างเราไปหายใจมาแต่เด็กๆไม่เป็นไรนะพอเรากําหนดลมหายใจเราเหนื่อยนะเครียดพอเราบังคับตัวเองท้องของเราค อ, องท้องของเรายุบมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่เป็นไรเราไปกําหนดที่ท้องนะใจก็แน่นๆเครียดๆขึ้นมดเราไปบังคับมนะัน แสกแสงเดินชอปปิ้งหลายหลายชั่วโมงไม่เป็นไรนะเดินจงกรมขาจะเด้งนะเขาก็ไปเปลี่ยนท่าเดินครับเราก็คิดแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการที่ต้องทําอะไรที่เหนือธรรมดาหวังว่าทําสิ่งที่เหนือธรรมดาแล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดาแท้จริงธรรมะนะธรรมดาที่สุดเลยเราต้องเรีย น, ขนเข้าใจถึงธรรมะคือความเป็นธรรมดาของกายความเป็นธรรมดาของใจ นั้นธรรมะเป็นเรื่องธรรมดานะธรรมะไม่ใช่เรื่องผิดธรรมดาเราต้องรู้ว่าธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของใจเป็นยังไงธรรมดาของกายก็คือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมดาของใจก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายอย่าไปบังคับมันสังเกตไหมพวกเราปฏิบัติธรรมเราชอบฝุนอยากให้เที่ยงเช่นอยากให้สุขถาวรให้ดีถาวนมันเป็นทุกข์เราอยากให้มันเป็นสุขมันบังคับไม่ได้เราอยากบังคับให้ได้ ใ, ใจของเราปฏิเสธธรรมดาปฏิเสธธรรมะนั่นเองงั้นปฏิบัติแทบเป็นแทบตายนะเหน็ดเหนื่อยแทบเป็นแทบตายเพราะว่ามันบังคับตัวเองตลอดแต่ใจไม่ได้ธรรมะมาดัง น, นหลักของการปฏิบัติจริงๆนะให้รู้ความเป็นธรรมดาของกายรู้ความเป็นธรรมดาของใจรู้ไปเรื่อยๆรู้สบายๆคาว่าปฏิบัติเลยเหมือนผีผีร้ายเลยนะหลอกหลอนเราคําว่าปฏิบัติในภาษาไทยมันแปลว่าทำ เราก็คิดว่าต้องทําอะไรที่เหนือธรรมดาแล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดาแค่จริงคําว่าปฏิบัติมาจากคำสองคานะคําว่าปฏิปฏิตัวนี้แปลว่าเฉพาะคําว่าบัติมาจากคำว่าปฏิปฏิว่าถึงปฏิบัติก็คือถึงเฉพาะนี่เองถึงเฉพาะหมายถึงให้เรารู้อยู่เฉพาะหน้า สิ่งใดมาถึงจิตถึงใจมาสู่จิตสู่ใจเราในขณะปัจจุบันแล้วก็รู้เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆนี่หลักของการปฏิบัติจริงๆก็รู้อย่างนี้นี่คนไทยไปแปลปฏิบัติว่าทำเราก็คิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างทําอะไรดีก็เลยกําหนดกันใหญ่เลยกําหนดไว้เพ่งไว้บังคับไว้ประคองไว้ควบคุมไว้สิ่งที่ทําทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรเกินอัตตะกิลมัณฐานิยคนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะในอัตศจรรย์สอนไมาอย่างนี้ แต่ตาถาสอนเรืความปรุงแต่งฝ่ากุศลนี่คืออัตตะกิลมัทฐานโยกเมื่อสามใดที่เรายัางสุดโต่ไปข้างกรารมสุขาริการโยคสุดโตไปข้างอัตตะกิลมัทฐานโยกเราไม่ได้อยู่ในทางสายกลางพระพุทธเจ้าบอกดูดกระอิสูทั้งหลายทำสองอย่างคือความสุดโต่สองด้านที่บัญชิตหรือผู้ปฏิบัติตไม่ควรเสดคือกรารมสุขาริการโยคและอัตตะกิลมัทฐานโยค ถ้าเราเรียนเข้าใจสองสิ่งนี้แล้วเนี่ยการเดินในทางสายกลางจะเกิดขึ้นเองหมายความว่าถ้าไม่เดินผิดเมื่อไหร่ก็เดินถูกเมื่อนั้นนะนั่นอย่าพยายามเดินให้ถูกนะเรียนรู้สิ่งที่ผิดไปสิ่งที่ผิดมีสองงานคือการที่จิตเราหลงไปแต่จิตที่เราไปบังคับไว้เพ่งไว้กําหนดไว้ประคองไว้จิตหลง่างนะแวบบไปอย่นะแล้วบังคับตัวเองแล้วทราบไหมให้รู้ทันสองสิ่งนี้นะ จิตไหลแวบไปรู้ทันจิตบังคับรู้ทันการที่รู้ทันรู้ทันรู้ทันนั่นแหละทางสายกลางอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงที่รู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรู้ตรงความเป็นจริงรู้เป็นปัจจุบันถ้ารู้ไม่ทันก็หลงไปคิดบ้างหลงไปเพ่งบ้างถ้ารู้ทันนะเช่นกาลังไปคิดอยู่รู้ทันก็ไปคิดแค่นี้ก็ตื่นแล้วพรหลงไปคิดนี่เป็นอกุศลทันทีที่สติระลึกรู้ว่าหลงไปคิด สติเกิดทันทีหักกุศลดับทันทีหายลงทันทีแต่การบังคับนี่ไม่หายนะบังคับเนี่เป็นความปลุงแต่งฝ่ายดีนั่นเรากําหนดไปเรื่อยๆถึงเรารู้ว่ากําหนดนั้นก็ไม่ค่อยคลายออกยิ่งฝึกไปจนแก่ยิ่งกําหนดเก่งนะกําหนดใจก็นิ่งสงบสงัดอยู่นั่นนะนิ่งมากๆปัญญามันไม่เกิดครูบาอาจารย์วัดป่าหลวงปูมัน่นสอนหนักหนาเลย ระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยอย่าให้จิตไปติดเฉยนะพวกเราชอบน้อมจิตให้ติดเฉยถ้าเฉยได้ยิ่งรู้สึกว่าดีถ้าเฉยแล้วมันไม่มีไรลักษณ์ให้ดูปล่อยให้มันทํางานปล่อยให้กายนี้เคลื่อนไหวไปอย่าไปบังคับมันปล่อยตามรู้ปล่อยตามดูเหมือนเอ็นคนอื่นเคลื่อนไหวปล่อยให้จิตใจนี้ทำงานไปอย่าไปบังคับมันดูเหมือนจิตใจของคนอื่น เราดูใจของเราเองเนี่ยมันเราดูเด็กคนหนึ่งที่ไม่ใช่ลูกใช่หลานเรานะเราคอตามดูเด็กคนนี้เด็กคนนี้เดี๋ยวปวดร้องเดี๋ยวเด็กคนนี้ก็ร้องไห้เด็กเด็กคนนี้ก็โลภเดี๋ยวเด็กคนนี้ก็โกรธเดี๋ยวเด็กคนนี้ก็เสือเปลินไปที่อื่นเราเข้ารู้ไปเรื่อยเรยนะถึงจุดหนึ่งเราเห็นเลยจิตใจนี้มันทํางานของมันเองทั้งวันทั้งคืนมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันไม่เที่ยนคือมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้ แต่ถ้าเราไปตรึงเราไปสร้างคบภายในเห็นมาัาเราไปเพ่งไว้กําหนดไว้ประทองไว้นะมันจะอยู่นานเพราะฉะนั้นพวกที่ฝึกทําฌานมากๆเนี่ยจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเพรฉะนอย่างพวกกรามพวกกินดูสมัยพุทธการอะไรพวกนี้เข้าฌานเก่งพวกนี้ถึงจะประกาศเลยว่าจิตนี้เป็นอัตตาพ อ, อร่างกายนี้ตายจิตซึ่งมันไม่ตายด้วยจิตเป็นอัตตาเนี่ยก็จะไปอยู่กับรั้รลมไปรวมกับรั้รลม นี่ทําไมสาคัญผิดว่ามันเป็นอัตตาได้เพราะไปบังคับมันนิ่งตอนยังหนุ่มๆยังสาวๆอยู่บังคับยังไม่เก่งแต่ฝึกทุกวันทุกวันพอแก่บังคับเก่งเลยนะพ อ, พอโรกรธพอโกรธปุ๊บมองปั๊บมัหายเลยใจนิ่งนิ่งลูกเดียวเลยตอนนี้ไม่มีกรธใครแล้วก็จ้องไว้ทั้งวันฝึกไปเรื่อยเลยก็ เ, เห็นว่าจิตเป็นอัตตาได้มีสฉาทิฐินะนั่นจะไปบังคับให้เฉยปล่อยให้เขาเส้นไวหวปล่อยให้เขาทำงานจิตใจที่ดีที่สุดก็คือจิตใจที่ธรรมดาที่สุดนะ จิตใจที З, ่ธรรมดาก็คือเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เนีเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่บังคับให้นิ่งตารู้ตามดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยจิตใจนี้มันทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่เราทํางานนะจิตใจนี้ปลูกแต่งทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่เราปลูกแต่งทํางานทั้งวันทั้งคืนจิตใจนี้ไม่เที่ยงทํางานเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนจิตใจนี้ทํางานเอง เราไม่ได้สั่งเลยนะมันเผลอมันเลอเองไม่ได้ไม่ได้บอกเลยว่าจงโกรธนะมันโกรธเองพอมันโกรธขึ้นมาบอกอยาโกรธนะมันก็ไม่เชื่อแต่ถ้าพุทโธพุทโธโกรนน้องโกรนน้องหายนะหายโกรธได้ว่าม่นคือสมถะสมถะกรรมฐานจะให้คอยรู้ไปถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมากายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุธาตุมีความทุกข์บีบครั้นอยู่ตลอดเวลา เป็นวัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดวันเช่นหายใจเข้าหายใจออกธาตุมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเดิมกินอาหารเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกไปสิ่งที่ประกอบเป็นร่างกายเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปไม่ใช่วัตถุอันเดิมค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆพระเจ้าเคยเทศเน์ไปอันหนึ่งแต่ว่าท่านเทศน์ในคนรณียักษ์นะท่าพูดถึงกลองรูปหนึ่งชื่อกลองอันตะ กล่องนี่เป็นกล่องไม้โบราณขนานใหญบอกว่าใช้ตีไปนานๆมันผูกพมันปลูกอีกคนเจ้าของกล่องก็ตัดเอาไม้ลูกออกเอาไม้ดีใส่เข้าไปนี่ใช้ไปนานๆก็ปุยในที่สุดก็เปลี่ยนไม้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งทั้งปลูกทั้งกล่องเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นของเดิมแต่คนยังรู้สึกว่าเป็นกล่องลูกเก๋ออันนี้ท่านพูดหมายถึงตัวสัจธรรมของท่านธรรมะของท่านของกล่องมันค่อยๆแทรกเข้ามา จนกระท่งเหลือแต่ชื่อศาสนาพุทธยัเป็นชื่อพุทธอยู่แต่นเนื้อในไม่ใช่แต่อันนี้ถ้าเรามาเทียบกับร่างกายนี้ก็ได้เหมือนกันร่างกายเราก็มีธาตุที่ไหลเข้าไหลออกแนละ้วเปลี่ยนไปได้ถึงจุดหนึ่งจะไม่มีเซลล์เดิมเหลืออยู่เลยเรียกกายจริงๆก็เป็นวัตถุเป็นต้นธาตุจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงดูแต่ใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนจิตใจเป็นอนาาัตตาเราบังคับไม่ได้ แลดูกายนะดูให้เห็นฟุกนี่ดูง่ายดูกายให้เห็นว่าเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตานี่ดูง่ายดูจิตดูเป็นอนิจจังง่ายแล้วก็ดูเป็นอนัตตาง่ายว่าเราบังคับไม่ได้เนืองดูกายดูใจเนี่ยมุมมองมันจะเหลื่อมๆกันนิดๆหน่อยๆแต่รวมความก็คือสรุปก็คือมันไม่ใช่เราทั้งหมดนิมนต์ครับแน่าจาผมเอาโอกาสคุยกระโยชน์ รู้สึกไหมจิตใจของเราหนีไปหาภาพลักหมดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยจิตมันหลงอย่างนี้เรียกว่าหลงไปทางตาหลงไปดูนะหลงไปให้คอยรู้ทันนะใจเราสนใจอะไรนะสนใจพวกนั้นไปดูปุ๊บเราจะลืมตัวเองแล้วคนในโลกนี้ลืมตัวเองทั้งวันเพราะฉะั้นบนรรลุมรรคผลนี้ผ่านไม่ได้เพาไม่ได้เห็นตัวเอง อยากได้มาผค น, นิพพานนะต้องรู้ตัวเอรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจรู้ซ้ําแล้วซ้ํำอีกรู้ซ้าแล้วซ้ำอีกจนมาหนึ่งปัญญาแจ้งเย่ยไม่ใช่ตัวเราเหรอพอเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราไม่มีสิ่งใดเป็นเรานะ ล, ละความเห็นผิดว่า ม, มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเราได้ละสักกายะทิฏฐิไม่เป็นพระโสดาบันเมื่อวานมีคนหนึ่งมาบวช ม, มานานนะบวชกับตับนาครูบาอาจารย์ด้วยซ้ำไปภาว น, น, นาไปอยู่ยจิต มันไปเห็นผู้รู้นะและ้วก็มีตัวรู้ไปรู้ผู้รู้แล้วร่วมเป็นนันเดียวนะตัวการปันรู้ล้ล่ะพรอบอกมัน ไ, ได้ล่าสักยญาทิถีเลยสักยญาทิถียังอยู่รบเลยไม่ได้ล่าอีแรกก็โมโหนะและ้วก็ไฝกล่อมๆกล่อเลยเดี๋ยวมันจะลุกขึ้นจบหรอกพูดไปค่อยสบายใจขึ้นเสร็จแล้วตอนเลิกล้วเข้ามาถามว่าอยู่กับครูบาอาจารย์องไหนบอกชื่อ บอกแล้วคูบาจารย์บอกว่าไงท่านบอกว่าเหมือนเราปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราไปหาทองคํานะขุดทองได้ทองจริงมัางทองเก้บ้างเดี๋ยวก็อย่าท้อถอยแนละ้วขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ทองจริงก็นึกว่าได้ธรรมะนะความจริงท่านบอกว่ามันทองเก๋ท่านพูดแบบเกรงใจนะไม่เหมือนหลวงพ่อขวานผาภากเลยบอกมันไม่ล่าอะไรเลยสักอย่างนะมันเสียเวลา เราไปสําคัญมั่นหมายอะไรปฏิบัติแล้วต้องละกิเลสได้จริงๆนะใจต้องพ้นกิเลสได้จริงๆเห็นต่อนหน้า ต, ต่อตาได้เลยใจต้องเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ไปเกาะไปเกี่ยวอะไรไว้อย่างหนึ่งนะบอกบรรลุนะิใจต้องวางไม่ใช่รู้เรายึดไว้รู้เราวางรู้เราวางสังเกตไหมตอนเนี้เกือบทั้งห้องจิตฟุ้งซ่านรู้สึกไหมถูกหลวงพ่อหลอกหนเดียวฟุ้งซ่านรู้สึกไหม รู้สึกไหมพะหลวงพพูดอย่างนี้ชักขำขำเห็นไหมใจจะกมีความขำขำเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันนึงเนี่ยจิตใจของเราจะเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะเราได้ยินเสียงได้ยินคําพูดอย่างนี้ใจเราก็เปลี่ยนเช่นได้ยินเรื่องคําคํานะใจเราก็เปลี่ยนได้ยินหลวงพ่อพูดว่ามีพระอาจารย์ท่านมาองค์หนึ่งสนใจนะหันไปดูใจมันเปลี่ยนแล้วนะใจที่ตั้งใจฟังคำดับไปเป็นใจที่อยากรู้ว่าใครมาใจมันเปลี่ยน หูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนเกิดหันไปเจอนางงามจักรวาลมายุทธการนี้หนุ่มๆอาจจะเกิดราคะสาวๆู้สึกไม่เห็นสวยเลยสู้ชันไม่ได้ <c oughs> รู้สึกไหมใจเปลี่ยนอีกแล้วรู้สึกไหม <c oughs> ความรู้สึกมันเปลี่ยน <c oughs> คอยหัดัวอย่างนี้นะถ้ารู้สึกไปไเรื่อยๆมาเรียนที่หลวงพ่อไม่ใช่มาเรียนธรรมะนะ มรรมาเป็นเรื่องเฉพาะตัวสอนกันไม่ได้สิ่งที่บอกกันได้ก็คือวิธีปฏิบัติวิธีทำวิธีดูกายวิธีดูใจหลวงพ่อกาลังพาให้ดูกายดูใจตัวเองอยู่ส่วนใหญ่เน้นที่ดูใจเพราะว่าพวกเราเป็นคนเมืองพวกคนในเมืองพวกปัญญาชนพวกชอบคิดพูดเราว่าปัญญาชนนะความจรงิงก็ฟุ้งซ่านนั่นแหละหลวงพ่อพูดให้สุภาพหน่อยพวกคิดมากพวกคิดมาก เขคิดมากเนี่ยทําสมถาถะก็ไม่สงบหรอกเมื่อใจมันไม่สงบมันไปดูทรายไม่สําเร็จหรอกแล้วต้องมาดูจิตเอาเมื่ใจเราฟุ้งซ่านแล้วก็ดูใจไปเลยใจที่ฟุ้งซ่านเราเห็นเลยความฟุ้งซ่านเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ใจเราไป แ, แยกกับความฟุ้งซ่านไปอยู่ต่างหากใจอยู่ต่างหากใจจะสงบฉับพลันนี่เป็นเส้นทางที่เรียกว่าใช้ปัญญานําสมาธิในที่สุดต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญานะไม่ว่าจะเดินแนวไใน ไม่บรรลุเพราะสมาธิอันเดียวไม่บรรลุเพราะปัญญาอันเดียวเวลาในพระใจปีตโอเวลาพูดถึงการบรรลุธรรมนะนจะบอกว่าบรรลุด้วยเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบกลับบรรลุด้วยปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบกลับคู่สองอันไม่ใช่มีปัญญาอันเดียวไม่ใช่มีแต่ความสงบของจิตอันเดียวแต่ถ้าเราจะดูกายนี่เราทําความสงบก่อนทําสมาธิก่อนแล้วไปเจริญปัญญาดูกาย ถ้าเราดูจิตเราดูเข้าไปเลยเราเจริญปัญญาเข้าไปเลยดูเข้าไปความฟุ้งซ้านก็ไม่ใช่จิตหรอกเป็นของที่จิตไปรู้เข้าความฉันทะก็ไม่ใช่จิตพยาบาทก็ไม่ใช่จิตเป็นของที่จิตไปรู้เข้าคล้ายๆเราไปรู้สิ่งที่แปกปลอมพอสิ่งที่แปลกปลอมในในน้ํามีสิ่งแปลกปลอมแล้วเอาสิ่งแปกปลอมออกไปน้ําก็บริสุทธิ์ขึ้นมาใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ตั้งมั่นขึ้นมาได้ก็สงบได้เหมือนกัน ในสุดจะมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาเหมือนกันตอนที่จะบรรลุธรรมก็ต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาการปฏิบัติธรรมไม่ได้ยากอะไรเลยนะมันยากเพราะเราคิดมากธส ร, รมะต้องรู้เอาเองใครก็สอนไม่ได้หลวงพ่อบอกแต่วิธีพวกเราก็ต้องไปรู้กายไปรู้ใจเอาเองเสร็จแล้วกายกับใจนั่นแหละคือครูที่จะสอนธรรมะที่แท้จริงให้เรากายกับใจจ ะ, จ ะ, สะแสดงไตรลักษณ์ให้ดู เมื่อไรจิตใจเรายอมรับความจริงคล้ายนักเรียนหัวดือ้อครูต้องสอนทุกวันนะจำชี้จำชัยสอนแล้วสานอีกทุกวันแค่เห็นร่างกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนุตาถึงจุดหนึ่งแนละ้วมันหายดือ้อมันยอมรับครับเมอมันยอมรับความจริงมันได้ความรู้มันก็สอบได้นะของธรรมะเรามีแค่ปอดสี่นะโสดาสันานาคาอนาคาพระอรหันตจบปอดสี่กจบแล้วะ มันหมดทุกข์นะหมดทุกข์จริงๆมีแต่ความสุขล้วนๆอัศจรรย์ที่สุดอัศจรรความสุขในโลกเหมือนเด็กเล่นที่ฝุ่นเล่นที่โคลนนะั่นนึงเล่นทรายเล่นฝุ่นก็มีความสุขนะสุขแบบมอมแมมมอมแมมในวัานนี้เป็นชื่อแมว ม, มีแมวเกิชื่อมอมแมมเขาให้ตั้งให้เขาไม่รู้นะมันก็สวยอีกตัวหนึ่งชื่อจังกึมแบบว่าอะไรก็ไม่รู้ อาสาอะไรก็ไม่รู้นะเรียบแล้วอะไรนอนนั่งเงียบนั่งเงียบธรรมะนะเป็นของลุกซึ้งค่อยๆฟังอย่ารีบร้อนค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปถ้าอยากจะได้เร็วๆเมื่อไหร่จะช้าเมื่อนั้นความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ช้าเมื่อนั้นก็ความอยากเป็นเครื่องทําให้เนิ่นชา้าฟังธรรมะแล้วอยากคิดมาก คิดมากศึกษาเปรียบเทียบมากคิดมากแทนที่จะคอยรู้กายตามความเป็นจริงแทนที่จะรู้ใจตามความเป็นจริงคอยคิดไปเรื่อยๆคิดมากก็ทําทให้เนิ่นชา้าตัวทิจจิตทาให้เนิ่นชา้าคนไหนปิดเลยใจปิดนะไม่รับอะไรใหม่ๆแล้วกูรู้แล้วกูเก่งแล้วกูรู้ทุกอย่างแล้วนี่เรียกมานะก็ทําทให้เรียนสิ่งใหม่ไม่ได้สามสิ่งเนี้ยตันหาทิจจิมารนณะรวมเรียกว่าปัปัญจะธรรมธรรมะที่ทําให้เนิ่นช้า ธรรมะที่ทําให้ของง่ายกลายเป็นของยากทําให้ของเปิดเผยกลายเป็นของลึกลับแท้จริงธรรมะง่ายที่สุดเลยนะที่สุดถ้าเมื่อไหร่ภาวนาแล้วรู้สึกยากทําผิดแน่นอนจำไว้นะประโยคนี้หลวงพ่อได้ยินครูบาอาจารย์สอนมาเยอะเลยหลายองท่านพูดเหมือนกันเลยบางองค์ท่านก็ไม่รู้จักชื่อนะหลวงพ่อไปไม่ได้บอกชื่อท่านท่านก็เรียกเราตามใจชอบท่าน ผู้รู้ผู้รู้อะไ ร, ร, นะะไรมันง่ายนะี้หรือบางองค์ท่านก็บอกมันง่ายแท้น้อมันง่ายองค์รู้จักชื่อหลวงพ่อมนตรีกอนจะบวชไปเปรียบเท่าท่านพระโมทจ์กปฏิบัติง่ายนะที่เราฟังอย่างนี้ถนะ้าไม่ครูบาอาจารย์ย้ําตรงนี้เรื่อยๆเราก็ฟังไปอย่างนั้นแนหะฟังแล้วไม่รู้เลยว่าท่านท่านสอนไปหาต้องหยาบคลายนะ่ะสวัสด์มิมาตอะไรไม่รู้เลยว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้ ที่ทั้งสองแต่ในขณะที่เราลงมือปฏิบัติเอาเป็นเอาตายนะถึงขั้นแตกหักกำลังบอลเรารู้สึกโอ้ฝืนฝืนสุดขีดแล้วนะยากยากเห็นลำเห็นมากไม่เกิดเฉลียวใจในคาพูดของครูบาอาจารย์มันต้องง่ายสิทําไมเราทําไปแล้วรู้สึกยากขึ้นยากขึ้นเราต้องเดินผิดช่องแนละ้วต้องทํากิดแน่นอนก็ทํากิดแล้วทํำยังไงดีโยนสิ่งที่ทําทิ้งทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเสียดายมัน แล้วมาตั้งต้นนับหนึ่งใหม่มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจไ่ทุกวันหัดรู้กายรู้ใจนะหัดเหมือนคนหัดใหม่ทุกวันเลยนั่นดีที่สุดเลยถ้าปฏิบัติไปช่วงหนึ่งแล้วคอยจํำมาไว้นะว่าตอนนี้ถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวอีกฟันหนึ่งจะมาต่อตรงนี้นะเละเลยตรงนีน้ถูกหลอบกิเลสหลอกลนั่นการปฏิบัติมีแต่ของรู้ของใหม่ๆสดๆร้อนๆที่กําลังเกิดต่อหน้าต่อตานี่แหละมีแค่นี้เองไม่ยากกว่านี้เลย ไม่ใช่ต้องเอาจิตไปไว้ตรงไหนต้องกําหนดยังไงต้องละยังไงนั่นฟุ้งซ่านมากเกินไปแล้วแท้จริงก็คือรู้ลงปัจจุบันไปติละขณาติลาขณะไม่มียากกว่านั้นเลยนะถ้าเมื่อไหรปฏิบัติแล้วรู้สึกยากเหลืเกินะผิดแน่นอนถ้าผิดแล้วใหญ่เสียดายนะโยนทิ้งไปเลยเี๋ยวหลวงพ่อยกย่องมากเลยทีมเชียงใหม่ะทีมเชียงใหม่ น, ะมมน่านับถือนะเพราะว่าสําคัญตนเป็นพระอรหันต์ แต่ว่าใจเด็มมากเลยเราสังเกตไปเลยพระอรหันอะไรขี้โมโหมันหันซ้ายหันขวาสี่เนาะกล้าทิ้งความเป็นพระอรหันกล้าลงจากหลังเสือกลับมาเป็นบูรุชนแล้วมาเรียนรู้ใหม่ไปเลี้ย ว, ว, ว, ว, วเลยนะแต่ละคนถ้าเสียดายเขาพยาย ก, ก่อนเราแล้วว่าได้โสดาสกทาคานาคาพระอราหันซึมได้ที่แล้วอะไรอย่างเง <laughs> <laughs> เสียดายไมยอมละ ก็ไปไหนไม่ได้ไก็เกาะตรงนั้นตายอยู่ตรงนั้นต้องงนนา่ายนะจตุตถะเมองอย่างนูเรื่องบางอ้างยังพอได้ค่ะเห็นกิเลสมั้ยวันวันหนึ่งก็เห็นแต่ช้าค่ะเหมือนแบบเหมือนรู้ตัวแล้วเพิ่งเมื่อกี้ถูกต้องการดูกิเลสต้องดูตามหลังการรู้กายเนี่ยรู้โลกปัจจุบันการดูจิตดูตามหลัง เมื่อกี้เผลอไปตอนนี้รู้สึกพ้เผลอก็รู้สึกเกิดร้อมกันไม่ได้เมื่อกี้โกรธตอนนี้รู้ว่าโกรธตรงที่รู้ว่าโกรธมีสติมันจะโกรธไม่ได้นั้นจะเกิดคนละขณะกันในการดูจิตเนี่ยจะดูตามหลังไปติดติดเรียกปัจจุบันสันติต่อนเนื่องกับปัจจุบันดูตามไปติดติดติดติดไปเรื่อยถาโอ่งตรงกันบ้างครับคุณจะนิพพานก่อ น, น, นก็ได้ไงเลิกเป็นพระโสดายอย่าง เล็ไม่ก้าวหน้าค่ะเตรไม่ใส่หลังนะทำไมมันอยู่กับจิตแตภาวะจิต ด, ดีขึ้นนะคะใช่ภาวะจิตดีขึ้นสังเกตุดีขึ้น ด, ดีนะทำได้ดีนะนะอย่าทิ้งสมถะนะการเกยทิ้งสมถะไปไม่ดี <c oughs> สมถะก็จำเป็นการปฏิบัติเ่ะเจริญสติรวดไปเลยนะ <c oughs> บางคนมันจำเป็นต้องทำสมถะไม่ได้ ถ้าเป็นไหนทำสมถะได้ล้วก็ไม่ทิ้งสมถะแต่ก็ไม่ใช่เอาแต่สมถะแล้วไม่ยอมเจริญปัญญาตอนนี้ใช้ได้แล้วดีแล้วอย่างเงี้ยมันถึงจะก้าวหน้าได้ถ้าไม่งั้นแล้วก็มันฟุ้งฟุ้ง้ปัญญามาอ่ซึมไปเลยทุกทีฟุ้งมากๆเลอๆไปเลยือเช้าฟังพันทวดเรื่องเิดฟุ้งลุกอย่างฟุ้งแบบในเวลาวางนี่หมายถึงเรือถึงท่าก็ทิ้งเรือหรือว่า เ ร, เรือถึงฝั่งก็ทิ้งเงินนะไม่แบกไปอย่างบางคนคิดว่าพระอราหันต์เนี่ยจเจริญสติสัมปชัญญะทั้งวันไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอกไม่จําเป็นต้องทำํำมันเป็นแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นทำไมเราต้องมีสติเรามีสติไม่ใช่เพื่อจะมีสตินะแต่เรามีสติเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้นี้เผลอเมื่อกี้เผลอแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วกีบแป๊บเดี๋ยวก็หลงอีกแล้ว ความีสติจิต ท, ที่มีสติเป็นกุศลนั่นก็ดับอีกกลายเป็นจิตหลงอีกแล้วเดี๋ยวก็เป็นจิตหลงไปก็มีสติขึ้นรู้ขึ้นมาอีกมีสติทีละแวบแล้วกระดับแอบบแล้วกระดับไม่ใช่ฝึกเพื่อให้มีสติตลอดเวลานะแต่ว่ามีสติแล้วก็หลงมีสติแล้วก็หลงนี่ธรรมดามันเป็นอย่างนี้ในที่สุดปัญญามันจะเกิดจิตจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตจะเกิดความรู้สึกตัวมีสติสั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ จะเห็นเลยจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลเสมอกันเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้เสมอกันเวลาวางวางต้อูดเลยนะวางทั้งกุศลทั้งอกุศลมันไม่ใช่ฝึกไปเพื่ออกุศลฝึกไปเพื่อเปลี่ยนอกุศลไม่ใช่แต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงเลยอกุศลเกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลนะห้ามมันก็ไม่ได้กุศลรักษามันไว้ก็ไม่ได้เห็นความจริงแล้วมันเสมอกัน แต่ใจจะทำชั่วไม่ได้ติด็กดเลยเพราะสติมันเร็วศีลไม่อัตโนมัตินะดีแล้วนะสองหน้าหลานนี้ดีแล้วแล้วโภาษาไทยนะค่ะบางทีคนคิดดีสุดเลยตอนนี้จะมีตอนเช้าตื่นมาจะเหนื่อยแล้วก็เวลาคิดเยอะๆตอนเย็นจะเจอว่าเหนื่อยรอบหนึ่งจะ จิตแต่ว่าแต่ว่าตัวเหนื่อยก็เหนื่อยตัวดูก็ดูตอนนี้เหมือนอยู่กับหลายคนก็มีอยู่กับหลายคนจะ<ช>มีตัวตัวทําทํางานของมันไปตัวนึงอีกตัวจะเป็นตัวคอยบอก เ, อเวลานี้ต้องไปทําวันนี้เวลานี้ต้องทอําว<อ>ันนี้แล้วอีกตัวหนึ่งก็คอยดูเร<อ>าคนเรนอยู่<อ>แล้วก็แต่พฤติกรรมเอความขี้เกียจเยอะมากขี้เกียจตลอดเวลาแต่ว่าเวลาทํางานทุกคนชมอย่างนี้เลยว่าโอ้แต่แล้วเดี๋ยวนี้ขยันตกลงข้ามเพราะว่ามันมีไอตัวพาไปทํา กับไอตัวที่ขี้เกียจปกติแล้วก็เหนื่อยเดี๋ไอตัวเหนื่อยนี่แปลกก็คือคือมันอย่างนี้ฮะมันตอนนี้มันมันไม่มันอธิบายไม่ได้แล้วมันอาการมันมันมันมันอย่างนี้ก็ก็แต่พอรู้สักพักมันก็หายไปเองโอ้รู้สึกไหมเราไม่มียึดงิดลงไปตรงไหนเป็นเราเนี่ยในหลายๆตัวเนี่ยจะจับตัวไหนมาเป็นเรา ไม่มีสักตัวไม่ใช่สักตัวใช่ค่ะ<ๆ>เพราะว่ามันเหมือนเหมือนเป็นห้องห้องหนึ่งแล้วเราก็มีคนอยู่หลายๆคนอืเราก็เราก็ไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะบอกว่าไม่มีตัวไหนเป็นเราก็คือไม่มีตัวไหนเป็นเรา <snakes. S 2> ถ้าจะบอก ว, ว่าทุกตัวคือเราทุกตัวก็คือเราเออถ้าทุกตัวรวมกันเม ann, ื่อไหร่นะแล้วหมายลงไปนะก็เป็นเราใช่ถ้าไม่ได้หมายลงไปไม่ได้มีสัญญาเขาไม่หมายก็ไม่เป็นเราเหมือนกับนั่งดูหนังไปเออขันนั่นทํางานไป ที่บอกว่ามันเหมือนห้องเหมือนห้องประชุมนะมีคนเคลื่อนไหวอยู่เยอะแยะคําว่ากายในสติปัฏฐานเะนี่ยกายยาในสติปัฏฐานเะนี่ยแปลว่าที่ประชุมแม้นในในห้องประชุมในที่ประชุมนี้ประกอบด้วยอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่ละตัวแต่ละตัวทํางานของมันเองทำงานไม่ก้าวไก่กันแต่ถ้ากิเลสตัณหาเกิดเมื่อไหร่ก้าวไก่กั น, ท, นทันทีแต่วุ่นวายขึ้นมา ถ้ามีสติรู้อยู่ก็เห็นขันแต่ละขันก็กระจัดกระจายออกไปทำงานออกไปมันเป็นการกระจายขันออกไปเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เรียกว่าขณะคอรลัททางนอนหนุมแต่เดิมเรารู้สึกเป็นกลุ่มก้อนตัเ น, นี้คือตัวเราตอนนี้กลุ่มก้อนตัวนี้แตกออกแล้พอกลุ่มก้อนนี้แตกออกความเป็นตัวเราจะไม่มีนี่มันเป็นการที่จิตมันมีปัญญา ทำให้เห็นในตัวที่เป็นจุ่มเ็ก้อนนี้แตกกระจายไปนี้บางคนก็จะเห็นแต่ละตัวนี้เกิดดับโดยเฉพาะจิตจเห็นเลยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแวบมีช่องว่างเล็กๆหมดขั้นตัวหนึ่งเกิดแล้วก็ดับช่องว่างหมดขั้นจะเห็นเลยจะรู้เลยจิตไม่ใช่ดวงเดิมจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจะเห็นในขันแต่ละขันทํางานของมันเองไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆมันมันเหมือนมัน เข้าก่อนเห็นเวลาบางครั้งเห็นเป็นเป็นขึ้นลงขึ้นลงเกิดระดับแล้วก็มีตัวรู้เรากัา้นไปแต่ว่าแต่ว่าคราวนี้เหมือนมันเกิดพร้อมพร้อมกันมันเหมือนต่างคนต่างทําำต่างคนต่างทํำไม่ก้าวไถ่ครับดีแล้วดูไปเรื่อยมันจะถอดถอนความเห็นผิดไม่มีตัวเร า, าส่งไปไหนก็ได้สุ่มมาก็แล้วกันเนาะหลวงพ่อพคุยด้วยจะไม่ไปทั่วหรอกนะ คุยถึงเย็นก็ไม่หมดห้องอหมือนหาห้างไวใครจะคุย เ, เชิญลงคิดเยอะค่ะแล้วก็มีโมหะน่าที่แม่โมหะเป็นกินเลสยืนพื้นลงคิดเป็นหลงที่เกิดไหวที่สุดถูกต้องแต่อย่าไปช่วยมนันก็แล้วกแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีกําลังขึ้นกว่าแต่เก่านิดนึงใช่มีกำลังมากกว่าครับจิตใจตั้งมั่นมากขึ้นสติเร็วขึ้นความเข้าใจเยอะขึ้น สติสมาธิปัญญามันมีกําลังเยอะขึ้นการปฏิบัติเนี่ยนะให้พวกเรารู้ทันความปรุงแต่งนะพวกเราอย่าไปช่วยมันปรุงแต่งจิตใจของเราเนี่ยมันปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนอย่าไปช่วยมันปรุงแต่งเนี่ยไปห้ามมันบางทีมันปรุงความโกรธขึ้นมาหน้าที่เราก็คือรู้ทันว่ามันปลุงขึ้นมาไม่ใช่ไปช่วยมันปลุงคือหาทางละการที่จิตใจปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีความหมายอะไรไม่สําคัญอะไร ตัวที่มีปัญหาคือเราเข้าไปปรุงแต่งซะเองตัวนั้นมีปัญหาและจิตใจนี้มีธรรมชาติปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนนี่หน้าที่ของมันมันต้องคิดนึกปรุงแต่งจิตไม่ใช่ไปฝึกให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนี่มันคิดนึกปรุงแต่งมันทํางานของมันแล้วไม่ห้ามมันตามรู้ตามดูไปเรื่อยดูเฉยเฉยอย่าไปช่วยมันหรืออย่าไปแทรกแต่งปัญหามันเกิดตรงที่เราไปปรุงแต่งซะเองถ้าจิตมันปรุงแต่งของมันนะมันทําหน้าที่ของมัน เราชอบเข้าไปปลูกแต่งตัวเองให้ไปก้าวไก่ครับปัญหามันอยู่ตรงนี้งั้นให้รู้สภาวะธรรมทั้งหลายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแป ล, ปลงปรุงแต่งไปเรื่อยเรรู้ไปอย่าไปแทรกแซงรู้เล่นเล่นรู้สบายสบายปัญหาอยู่ตัวที่ชอบเข้าไปแทรกแซงจับเป็นไงจับมีโมหะดูออกไหมีฟุ้งซ่านเออฟุ้งซ้านนี่แหละโมหะตอนที่ ตอนถ้าเกิดตอนผมมาอยู่ที่นี่ทําเหมือนตอนที่ผมอยู่บ้านเนีครับอะไรนะคือช่วงช่วงที่ผมมาอยู่ที่นี่นี่ผมฝึกเหมือนกับตอนที่ผมจะอยู่ที่ไหนนะก็มีอย่างเดียวอะรู้หรือเปล่ไม่รู้ก็เผลอไม่เผลอก็รู้มีจีรังนั่นแหละเพราะฉะนอย่างเราอยู่บ้านหรือเราอยู่วัดนะอยู่บ้านเรายืนเดินนั่งนอนอยู่วัดก็ยืนเดินนั่งนอน อยู่บ้านจิตเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอยู่วัดก็เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างก็อันเดียวกันแหละสถานที่จะไปเกี่ยวอะไรนี่หลายคนพอเข้าวัดจะต้องรีบเร่งเร่งความเพียรต้องทําอะไรที่เกินธรรมดาขึ้นมาจนได้มีปัญหาดังนั้นเราก็รู้ไปกายมันยืนเดินนั่งนอนรูปมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะรูปมันเคลื่อนไหว่ใชจเป็นคนดูหรือความโลภความโกรธความหลง มันไหลผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปใจก็เป็นแค่คนดูไม่ไปตามมันไปไม่ไป ต, ต่อต้านมันใจิตใจเรานะสบายๆเหมือนเรือลำใหญ่ๆจอดในแม่น้ําอะไรเงี้ยทอดสมอไว้น้ําไหลมาแรงแค่ไหนนะเรือก็ไม่ไหลตามน้ำํำใจเราไม่ตามกิเลสแต่เรือไม่ต้านน้ําเรือไม่ขวางน้ําใจเราก็ไม่ขวางกิเลสไม่ต้องไปกเกลียดเหมือนดมนูมันเหมือนมันไหลผ่านเราไปเฉยๆ ขั้งต่อมาสองพี่น้องเบอรสองบอแปดเป็นไงเห็นใจมึงเปลี่ยนเหมือนกดช่องทีวีเปลี่ยนเปี่ยนไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้กดด้วยนะมันทํางานเองมันกดเปลี่ยนช่องของมันเองแล้วมันเป็นช่องไหนมั่งมันเป็นช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องลิ้นช่องกายช่องใจช่องใจเยอะที่สุดช่องใจเนี่ไปเยอะที่สุด พอไปที่เข้าใจแล้วก็เกิดสุกเกิดฟุ้งเกิดกูศ่วกุ ส, ส่เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ดีล้าที่เห็นเห็นมันทํางานได้เองหลวงพ่อครับก็คือตามดูแบบว่ามันจะผิดสองทางตลอดค่ะแล้วก็แต่ว่าพอช่วงหลังนี้จะฟุ้งไปมากกว่ามากกว่าบังคับแต่ว่ามาฟังนั่งฟังหลวงพ่อก็รู้สึกตื่นขึ้นแต่ก็ยังมุดมืออยู่แต่ในที่ยังมีมูฮัตเองดีแล้วที่เห็น ที่ทําอยู่ใช้ได้นะสองพี่น้องเนี่ยเบอร์เจ็ดสิบห้ายงบังคับนิดหนึ่งดูออกไหมยังตรึงความรู้สึกไหมนิดหนึ่งต้องมาวันนี้เป็นวันที่เจ็ดภายในสองอาทิตย์นะคะก็เมื่อเช้านั่งกรรมฐานก็จิตมันส่งออกนอกก็นึกถึงหลวงพ่อแล้วก็เห็นพลังที่หลวงพ่อใช้เห็นรูปนามกายใ จ, ใจที่หลวงพ่อให้กับพวกเรามันก็ มันก็ทราบซึ้งอะค่ะแล้วก็พ็ก็รู้มันกแค่นั้นนะคะมีปีติก็รู้ว่ามีปีติดูไม่ออกอะค่ะดูอะไรล่ะไม่รู้แล้วทําไมรู้ว่าดูไม่ออกถ้ารู้ว่าดูไม่ออกอะดูออกแล้วนะดูออกแล้วค่ะดูออกแล้วว่าดูไม่ออกเลย คือถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันตัวเองเนหะ็นไหมก็ถือว่าดูออกแล้วอย่ตอนนี้ไ้่งงไม่รู้เรื่องอะไรแล้วงงนะรู้ว่ากําลังงงนั่นดูออกนะถ้าไม่งั้นจะตอบไม่ถูกหรอกว่ากําลังไม่รู้เรื่องอยู่มันง่ายนะง่ายแบบเส้นผมบางภูเขาเลยหุ่นคุณใหญ่ลมากทำไมมีไม่ส่งกันบ้านเ <ừ> ป็นหลอกหลานคุณเสื้อเหลืองนี่เป็นไงค่ อขนาะนี้รู้สึกว่าสลับกันระหว่างฟุ้งซ่านเกง็งมันก็ปล่อยอไปเรื่อยๆ<ช>มันเป็นสลับไปสลับมา<ช>ดีจริงๆก็ไม่ใช่สภาวะที่ประหลารงฟุ้งซ่านก็คือไหลตามกิเลสไปแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เกรงบังคับจะเป็นสกติของนักปฏิบัติให้รู้ไปสภาวะสามอันนี้ไม่ใช่ว่าเกลียดสองอันแล้วเอาอันหนึ่งนะไม่เอาสักอันแค่เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ทำงานตัวมันเองบังคับไม่ได้แค่นั้นพอละมาทางนี้แต่ส่งไปเรื่อยๆนะได้แค่ไหนแค่นั้นนะแล้วแต่เวรแต่กรรมเขาย้งยถามนะครับว่าการปล่อยวางเนี่ยเป็นสิ่งที่น้อยแน่นอนหรือเปล่าคะการปล่อยวางแนละ้วไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องนึกถึงมันจิตเมื่อมีปัญ ญ, ญาแล้วเขาปล่อยของเขาเองเราบังคับให้เขาปล่อยไม่ได้นะถ้าเราบังคับให้เขาปล่อยได้มันก็จะเป็นปตาไม่ใช่อนานตา เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยเอาข้อเท็จจริงเอาความจริงของกายของใจมาฟีแผ่ให้จิตมันดูดูซิกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์บังคับได้หรือไม่ได้จิตนี้เที่ยงไหมเป็นสุขไหมบังคับได้ไหมเอาควาจริงให้ดูทุกวันแล้วเขาเห็นความจริงแล้วก็าวางเองหดูพ่อยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างพวกเราในห้องนี้รู้สึกไหมว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง จิตใจของเราก็เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมอันนี้เรายังปล่อยวางไม่ได้ถ้าเห็นอย่างงี้ไม่ว่าเรายังไม่เห็นอริยสัจอริยสัจก็คือขันห้าเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่เรายังไม่สามารถเห็นอริยสัจได้เรายังเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเพราะฉะนั้นจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้แต่ถ้าเรามาหักตามรู้ตามดูกายสมมติดูกาย นั่งอยู่เนี้ยนั่งให้สบายนะประเดี๋ยวเดียวทุกข์ละมันปวดมันเมื่อยแล้วก็ขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถไปหายปวดหายเมื่อยนั่งไอีกพักนึงความปวดความเมื่อยตามใหม่อีกละขยับอี ก, กเดี๋ยวก็ปวดอีกละทั้งวันทั้งคืนนะความปวดความเมื่อยเนี่ยตามโจบตีเราทั้งวันทั้งคืนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนะี่ยความทุกข์ตามบีบคั้นร่างกายตลอดเวลาอย่างเรานอนกลางคืนนอนหลับไปเนี่ย ร่างกายเรายังต้องพลิกไปพลิกมานะคือหนึ่งสนะี่สิบห้าิบครั้งเนี่ยคนทั่วไปทําไมต้องพลิกเพราะว่ามันทุกข์เดี๋ยถ้าเรามีสติคอรู้กายอยู่หนึ่งๆเราจะเห็นเลยกายที่ถูกความทุกข์บีบอันตลอดเวลาที่กายไม่ใช่ของดีของวิเศษของที่จะน่ารักเหมือนที่เราเคยคิดไปแล้วแต่กายนี้เป็นภาระกายนี้นําความทุกข์มาให้เยอะแยะเลยเดี๋ถ้าใจเราเห็นแค่นี้เกิดไม่บรรลุมรรคผลก็ยังไม่เป็นไรเวลาที่เราเจ็บหนักใกล้จะตายเนี่ย จิตใจมันจะค่อยปล่อยวางได้แมันจะไม่ทุรนทุรายว่าตัวเรากําลังจะตายละมันจะรู้สึกว่าไอ้ตัวทุกข์นี่กําลังจะแตกเพราะฉะนั้นจะไม่ทุรนทุรายที่เรียกว่าวางได้เนี่ยวางก็มีปัญญานะจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นเด้่ยจิตนี้ไม่เชี่ยงจิตนี้เป็นทุกข์จิตเป็นอนาาัตตาถ้าเห็นได้อย่างลึกซึ้งจริงๆมันจะวางของมันเองไม่ใช่หน้าที่ของเราไปช่วยเก็วางนะเราแคอเช็ค จ, จริงให้เขาดูเขาวางเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นแหละ ถ้าเขายัางไม่วางวก็คือเขายัางเรียนไม่พอตื่นเต้นครับเออดีดีที่รู้นะบางทีมันก็มีความรู้สึว่าอเราผมตื่นเต้นง่ายแล้วก็ถ้าตั้งใจแล้วมันจะแน่นจุดทีคอเออดีดีดแล้วยิ่ทํานีต่อก็รู้ไปเรื่อยเือยย่างนี้รู้ไปนะรู้สึกไหมมันจะตื่นเต้นห้ามมันไม่ได้เรื่องของมันเราดูไปจนเห็นแล้วมันตื่นเต้นของมันเองแนละ้วมันไม่ใช่ตัวเราหรอกดูไปอย่างนี้ ความรู้สึกอื่นก็ดูอย่างเดียวกันานี้ไม่ตื่นเต้นอย่างเดียวหรอกบังคับไม่ได้ด้วยรู้สึกไหมบบับงคับตัวเองด้วยนะรู้ออกบ้างให้รู้ทันนะตัวบังคับในตัวปัญหาอีกตัวนึงคือก็พยายามที่จะ ใ, ใจลอยไปคิดแล้วทราบไหมต่ที่ใจหนีไปคิดก็จะมาคุยกับหลวงพ่อเนี่ยเราลืมกายลืมใจเมื่อไรจิตไปรู้เรื่องที่คิดนะจิตจะลืมกายลืมใจคุณนึกออกไหมทั้งวันเรารู้เรื่องที่คิด เพราฉะนั้นทั้งวันเราจะลืมกายลืมใจเี่ยลืมไปอีกแล้วรู้สึกไหมหลีไปคิดอีกแล้วให้รู้ทันจิตไหลไปคิดแวบรู้ทันไหลไปคิดแวบรู้ทันไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งใจจะตื่นขึ้นตื่นขึ้ น, นมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดถ้าเราหลุดออกจากโลกของความคิดเราจะอยู่ในโลกของความจริงจะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงได้เนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมให้คอยรู้ทันนะรู้อย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆ ไม่ห้ามนะไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะจะไปฝึกตนเองจนกระทั่งเลิกคิดไปเราไม่ได้ฝึกให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินนะให้มันคิดไปแต่ว่ารู้ทันมันเรื่อยๆเมืม่ออาทิตย์ที่แล้วนะรู้แล้วยังไม่ค่อยเป็นการนก็เหมือนกับว่ามันตะลุมบอลกันไปหมดเลย<อ>ก็เลยก็เลยปล่อยหมดเลยก็เลยไม่เอาอะไรเลยนะแล้วก็เบาขึ้นทีนี้มันเหมือนกับว่า มันยังตามความคิดไปเยอะอยู่เดี๋ยวม่คก็ยเป็นการเราห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าจิตมันจําสภาวะได้ว่าเผลอไปคิดเป็นอย่างนี้เผลอไปคิดเป็นนี้นั<ม>่นสติจะเกิดเร็วขึ้นเรื่อยๆหลายไปคิดแล้วรู้สึกแล้วรู้สึกครับบางคนรู้สึกได้เร็วมากเกืทั้งทํางานไม่ได้ทํางานที่จะคิดไม่ได้ในใจจะรุนต่อมาตลอดอันนี้ต้องบังคับมันให้ทํางานเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานที่ใช้ความคิดนี่ไม่ใช่เวลาจเจริญสติ ให้ไปิดจดจอดที่งานมีเหมือนกันคราบบางทีคิดงานอยู่แล้วเผลอไปเป็นหายแวบไปเลยฮะแล้วคิดงานต่อไม่ได้ให้จดจอดที่งานครับนั้นเป็นเวลาทํานานครัคบอันนี้โมหะเยอะโมหะโมหะเยอะแล้วก็บังคับตัวเองด้วยฝุนดรอปไหมพอโมหะเยอะมันก็บังคับมันต <s> ้องออกมาอืมให้รู้ทันมันมอนบังคับอผมมาดีฟังหลวงพ่อบอกว่ากายมีแต่ทุกข์หลังๆ จิตก็เลยก็เลยแบบามาเน้นดูเวทนาทางกายดูอะไรก็ได้เลอะไรก็ได้ดูกายดูเวทนาดูจิตได้ทั้งนั้นถ้ามีสติขึ้นมาจ้เห็นไม่มีตั ว, รวเราว่างเปลคือเราเราดูเวทนาเพื่อจะดูจิตใช่ไหคือมันแล้วแต่เรานะบางคนรู้เวทนาไปเชองท่านใจเป็นกลางกับเวทนาะไร เห็นกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาก็าส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งไม่กระทบกันต่างคนต่างทํางานของมันไปทําหน้าที่ของมันไปเพระน อ, อะไรเกิดขึ้นจิตไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงฝึกใจอย่างนี้ก็ได้หรือจะฝึกมาดูจิตก็ได้ดูมาเป็นขั้นขั้นันไหนยังดูจิตไม่ออกก็รู้กายไปก่็กายเป็นบ้านของจิตอย่งเรานั่งอย่างเงี้ยนั่งสักพักมันจะเมื่อยตรงเมื่อยนี่ไม่ใช่กายแล้วเป็นเวทนา พอเมื่อมากๆเข้าจิตกระสับกระสายเข้ามาดูจิตได้แล้วอย่างนี้ก็ได้การปฏิบัติเนี่ยทางใครทางมันนะมีวิธีการเยอะแยะเลยแต่ว่าจะต้องรู้กายรู้ใจปลูกต้องเป็นปัจจุบันแล้วนะรายละเอียดเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ทางใครทางมันไม่มีกรรมฐานที่ดีที่สุดนะอย่างหลวงพ่อฝึกมาทางดูจิตก็ไม่ใช่ว่าการดูจิตดีที่สุดการดูจิตดีสาหรับหลวงพ่อต่ พวกเราแต่ละคนก็จะมีทางเฉพาะตัวเองรู้กายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้จิตก็ได้ทางใครทางมันแต่ถ้ารู้ถูกต้องแล้วจะรู้ทั้งหมดนะ mm hmm. เหมือนที่องค์เป็นเนี่ยจะเห็นขันห่าทั้งหมดเลยไม่ใช่เห็นแต่กายนะหรือไม่ได้เห็นแต่จิต mm hmm. ก็เห็นทั้งกายทั้งจิตทั้งขันห้าเนื้อทํางานของมันไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราในะนั้นเลยความทุกข์ก็ไม่มีนะชวงนีโกดหม่อย อะไรนะโกรธบ่อยโกรธบ่อ ย, อยไม่เก็บกดมันก็โกรธบ่อยถ้าเราภาวนาแล้วเราคอเก็บกดนะทำหน้าให้ดูนะ <c oughs> เชิญด่าได้ละเชิญลับรองไม่โกรธแล้วลนะ <c oughs> งั้นนัดกรรมฐานนะหลายคนเลยที่ฝึกฝึกไปแล้วบอกไม่โกรธเลยไม่มีกิเลสเลยนะแล้ไปผ่มมันไว้แต่พอไม่ข่มเนี่ยมันร้ายกว่าเก่านะที่หลวงพ่อพูด ว่าชมพูเป็นตัวร้ายเลยเห็นไหมชมพูเห็นไหมพวกเราลิซ่าไออรู้สึกไหมรู้อ้อนเป็นตัวร้ายเห็นไหมถ้าเราฝึกไม่เก็บกดนะเราจะเห็นกิเลสเยอะนะวันวันหนึ่งที่ทําอยู่ใช้ได้แล้วนะจิตมันหลุดออกมากจิตมันตื่นขึ้นมานะงั้นคอยรู้ไปจะเห็นเลยกิเลสเกิดแล้วก็ดับไม่ต้องไปช่วยมันดับนะ<ม>กิเลสอยู่ส่วน<ม>กิเลส จ, จิตอยู่ส่วนจิตนะแยกได้ไห ม, มเออนั่นแหละถันดูไปได้ อะไรอไรก็ไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวร่างกายก็เป็นของถูกดูถูกรู้เวทานาสุขทุกข์เท่าไหร่ก็ของถูกรู้ถูกดูกิเลสกุศลอกุศลทั้งหลายก็ของถูกรู้ถูกดูไม่มีเราหรอกที่ทําอยู่ใช้ได้แล้วไปเรียนมาจากไหนเมื่อก่อนนั่งใช้ยุบหนออฟองหนองใช้ฟองยุบสิยุบหน่อฟอ ง, ฟองหน่อนี่ อ, อาจารย์ว่านอะครับแล้วก็ก็ฝึกเรื่อยอ่ะครับอส่วนมาก ถ้าถ้าไปวัดจะได้ฝึกเหมือนที่อ่หลวงพาะว่าครับถ้าไปวัดได้ฝึกถ้าอยู่บ้านจะไม่ค่อยได้ฝึกเลยอย่าเอาย่างนี้นสิคือการปฏิบัติธรรมนะเราทำกันทั้งชีวิตเลยเราไม่แบ่งนะว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติถ้าแบ่งอย่างเงี้ยชาตินี้ไม่ได้มากคนนิพพานอย่าแบ่งตลอดเวลาคือเวลาปฏิบัติทั้งหมดยกเว้นเออมีข้อยกเวน้นยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดเพราะว่ามันปฏิบัติไม่ได้นอกนั้นต้อง ดูไปเลยยังเมื่อสองสามเดือนก่อนนี้หนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ถามหลวงพ่อว่าวิธีเดินจงกรมจะเดินยังไงหลวงพ่อบอกมาออกมาเดินโชว์ได้ไหมเนี่ยคนเต็มห้องเลยวันนั้นคล้าๆอย่างวันนี้ให้มันเดินตรงนี้นีหนุ่มนี้ใจถึงนะออกมาจริงๆค่อยๆย่องแหวกคนออกมานะหลวงพ่อบอกหยุดก่อนยังใช้ไม่ได้ทําไมตอนที่เดินออกมาไม่มีสติคิดใช่ไหมว่าตอนนี้ยังไม่ต้องปฏิบัติ เขายังไม่ถึงหัวทางจงกรมนี่แบ่งเวลาแล้วตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติอ้าบอกเดินต่อได้ราวนี้เดินด้วยความระวังตัวนะรู้สึกตัวเดินมา่ด้พอมาถึงต้นทางจงกรมนะนวางฟอไปอี ก, ก็แบบหนึ่งนะเนอสุดโต้ไปอีกข้างหนึ่งนะแท้จริงก็คือธรรมดาที่สุดนัแหละยืนเดินนั่งนอนธรรมดาที่สุดแล้วแหละมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปตามธรรมดาที่สุดเลย แล้วไม่แบ่งนะเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติทั้งหมดคือเวลาปฏิบัติ อ, อ๋อเรียนถามหลวงพ่อนะคะพอดีเพิ่งสึกสมาธิอะค่ะที น, ะะนี้ว่าเวลาสุดเนี่ยรู้สึกว่ามันเครียดโลโก็เวียมหัวะะอย่าไปข่มใจมั้ยใจเราเหมือนเด็กใจของทุกคนนะมันเหมือนเด็กเด็กเป็นเด็กซอนเด็กดื้อด้วย อย่างเราจะเรียกเด็กเข้าบ้านเด็กไปวิ่งเล่นหน้าบ้านเราจะเรียกให้ลูกเราเข้าบ้านเรียกเด็กเข้าบ้านนะ่ไปบังคับเอาเชือกไปลากคอมานะเด็กก็อึดอัดใช่มไหมเด็กก็เครียดสิถ้าเราอยากให้เด็กกลับมาอยู่กับความสงบอยู่ในบ้านไม่หนีไปเที่ยวอเอาขนมไปล่อไอคนนี้ชอบกินไอติมเอาไรติมไปล่อมันนี่แหละที่เราทำกรรมฐานก็คือเอาอารมณ์ที่สบายใจไปล่อมัน บางคนรู้พุโทโธแล้วสบายใจแล้วพุโทโธเหมือนไอ้ซิมไปหลอกเด็กอะไรเด็กก็เข้ามากินใน้ซิมอยู่ในบ้านไม่วิ่งส่วนไปวันนี้ถนัดรู้ลมหายใจแล้วสบายก็ไปรู้ลมหายใจดู้เล่นๆ เ, เหมือนเอาขนมไปลอ่อจิตมันพอใจที่จะรู้ลมหายใจมันก็กลับเข้ามาไม่หนีไปเที่ยววันไหนจะดูท้องของยุค ก, ก็ดูไปแต่จิตมันชอบใจที่จะดูท้องของยุคดูไปสบายๆมันก็กลับมารู้สึก อยู่ที่ทองได้ไม่หนีไปเที่ยวเพราะฉะนั้นหลักของการทําสมถะกรรมฐานะต้องสบายนะถ้าสบายเท่านั้นแหละถึงจะสงบในที่ธรรมถึงจะสอนเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิ ด, ใใกดความสงบความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิไม่ใช่ไปบังคับมันถ้าปฏิบัติแล้วเครียดก็หมายถึงเราพยายามบังคับใจตัวเองแล้วไม่มีความสุขจะไม่สงบเลย ถ้าเราชำนาญนะ้วเราแค่ถอนใจสักเครื่อนหนึ่งล้วก็สงบเลยนะไอ้กิติขนลุกขนคลองยังไงก็ได้นะต้องรู้หลักนะรู้หลักศา ส, สนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องเหตุกับผลไหทําเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้มีเหตุอย่างนี้มีผลนี้อยากได้ผลก็ต้องทําเหตุให้ตรงกับผลอยากให้เกิดปัญญาเนี่ยใจต้องตั้งมั่นใจจะตั้งมั่นได้เนะี่ยจิตใจต้องมีความสุขอยู่ในอารมณ์ที่รู้มันจะมีสมาธิขึ้นมา จิตจะรู้อารมณ์ได้รูปนามได้จิตต้องจําอารมณ์รูปนามได้แต่ละตัวจะมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยการที่จิตจําสภาวะธรมได้แม่นยําำทําให้เกิดสติทันทีที่มีสติจิตจะเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุขทันทีที่จิตมีความสุขจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นเนี่ยสติระลึกรู้รูปก็จะเห็นความจริงของรูป ว่าไม่ใช่เราสติระลึกรู้นามก็เห็นความจริงของนามว่าไม่ใช่เรา mm hmm. เราะนตัวสำคัญนะหากรู้จักสภาวะเรื่อยๆจะสติโดยจริงเกิดจะเป็นกุศลมีความสุขมีความตั้งมั่นมีปัญญาปัญญาแก่รอบจริงๆต้องวิมุติเกิดขึ้นปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจ mm hmm. ทํารมะมีเหตุมีผลนะม mm hmm. ีบางทีเราไม่ได้เรียน เราก็คิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องหลับหูหลับตาไว้ก่อนนะเราต้องหลับตาไว้ก่อนแล้วหายใจท่านี้กําหนดอย่างนี้หรือมันไม่ยอมสงบก็มโมโหมันเค้นมันบีบบังคับมันมันไม่มีความสุขหรับใดที่มันไม่มีความสุขมันจะไม่สงบจังไหมนะความสงบหรือสมาธิมันมาจากความสุขแต่เราชอบหลับข้างนะเราคิดว่ามีสมาธิแล้วมีความสุขนะ ถ้าสมาธิสูงขึ้นไปมีอุเบกขาไม่ได้มีความสุขยังยังหลงนานครับก็หลงนานต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่เช่นอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับหายใจก็ได้อยู่กับท้องคลองยุบก็ได้แล้วก็ไปดูสภาวะเรื่อยๆที่มันหลงนานเพราะสติไม่เกิดสติไม่เกิดเพราะสติจำตํำสภาวะไม่ได้จิตจตําสภาวะไม่ได้ จิตจําสภาวะไม่ได้เพราะไม่ค่อยขยันดูสภาวะเวลแต่ไปดูเรื่องอื่นไปคิดเรื่องอื่นเราก็ต้องทําต้นทางทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไ ร, ก, ไะร ก, ก็ทํา ไ, ทไปเถอะพุทโธดูท้องของยุบยกเท้าอะไรก็ทําไปเถอะสักอันหนึ่งแล้วก็หันดูสภาวะไปเดี๋ยวจิตก็หนีไปเดี๋ยวจิตก็เพ่งไว้เดี๋ยวจิตสุขจิตทุกเป็นกะุศลกุศลนนะัดูไปได้พอมันจำได้แม่นแะล้วสติเกิดเอง คนที่มาเรียนที่หลวงพ่อนะั้นถ้าเก่าๆนิดหนึ่งเวลาก็รายงานการปฏิบัติเขาจะไม่รายงานว่าดิฉันได้ปฏิบัติมาอย่างนี้มีผลอย่างนี้ไม่พูดกันอย่างนี้แล้วนะพูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ใช่รู้ส mm hmm. ึกตัวจริงของหลวงพ่อเป็นตัวปลอมๆลูกศิกย์ตัวจริงตรงหลงพ่อเวลารายงานการปฏิบัติจะรายงานาบอกว่าหมู่นี้ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดเองร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึก เห็นแต่มันทํางานของมันเองไม่มีตัวเราในนั้นเลยไม่ยากนะฝึกไม่ยากหระถ้ารู้หลักนะทําต้นทางได้แล้วก็ได้ปลายทางถูกต้องได้อีกคนนึงถึงพ่อหมดแรงแล้วเหนื่อยตอนนี้ก็รู้กิเลสได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ปกติแล้วเวลาถ้าถือว่าอยู่กับตัวเองเนี่ยถ้าตอนยืนว่างๆก็จ ะ, จะอยู่กับลมหายใจอ่ะคะ่ะแต่ว่าจะมีปัญหาก็คือว่า ทั้งทงที่เราละลึกอยู่ที่ปลายจมูกแต่ว่าเวลาพอเราเพ่งแล้วเราละลึกรู้ตัวไม่ทันเนี่ยเขาไปเครียดที่ขมับแทนเนี้ยคะ่ะก็เลยแต่ว่าเวลาพอเครียดเนี่ยพอรู้ยังไงเขาก็ไม่ไม่ออกเนยก็เลยต้องใช้แบบเผลอๆไปอย่างนแล้วก็กับมาแบบจับจูบของส ม, <า S 1> มาธินะะจูบของการเพง่งคือเผลอสุดโต่งคลัะข้างหลวงพ่อเคยเล่าเขามากเก่าๆที่เคยได้อีกมีเพล้าองค์หนึ่งท่านติดเพ่งมาหลายปีเพ่งจนเครียดมากเลยเส้นเลือดแทบแตกเลยนะ หลวงพ่อใช้วิธีชวนท่านคุยนะชวนคุยให้ท่านฟุ้งซ่านไปเลยพอท่านเผลอไปหลวงพ่อเขบอกท่านเผลอแล้วครับท่านเตอเผลอแล้ว <c oughs> เลยทําอย่างนี้ใช่ไหมรื้อออกไหมพอ <c oughs> รื้อเข้ามาอีกหลวงพ่อหล อ, อกท่าชวนคุยอีเกเผลอเผลอไปนะเลยเผลอแล้วครับท่าก็ปุ๊บเข้ามาอย่างนี้อครั้งที่สามนะท่านเผลอบอกเผลอแล้วครั บ, ก บ, กกรบตกโต๊ะเปลี่ยงเลยไปละไปละเข้าใจละ จิตมันทางานของมันแร็ปแร็ปใช่ไหมใช่ทางานของมันเองแต่เราไม่ใช่เข้าไปแทรกแต่งมันงั้นถ้าติดติดเช่งนะเผลอเผลอไปเดี๋ยวก็หลุดคือคือคือบางทียังไงก็คือต้องใช้วิธีเผลอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเคยแบบลองว่าจะรู้เขาเนี่ยพอรู้เขาปุ๊บเขาก็ไม่ยอมหลุดนะคะต้องแบบต้เผอเลอปะาัไ็อ้ใช้วอย่างเลใช่ไมคะเพราะว่าเคยแบบลองว่ารเานพอรู้าุเหลนะอ้เผลอนะะ สติเกิดปป๊บเนี่อกูโลดับทันทีหายเผลอตนเพ่งมันเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีเราพยายามควบคุมกายควบคุมใจไม่หายหรอกต้องเผลอเผ ล, ล, ลอไปเพื่อจะให้จิตบิดครังเผลอไปซะดีกว่าเออโจโจยีไอ้คนเดี๋ยวนี้ความสงใจน้อยลงนะคะจิตมวัมวๆวสักไหมเช้านี้ก็งว ง, งวง่ออนะจิตมีมัวอะเขาขรู้มัน ดีแล้วอีให้โจยนะได้แค่นี้เนาะที่เหลือเอาซีดีไปฟังเอาเองซีดีหลวงพ่อฟังแล้วฟังอีกนะธรรมะที่หลวงพ่อพูดอนะถึงเราฟังแล้วนะัน